หลวงพ่อไปประเทศอินโดนีเซียเมื่อไม่นานมานี้เพราะคณะศรัทธาญาติโยมนิมนต์หลวงพ่อก็เออไปดูดเหมือนกันเพราะว่าพระวัดบวรนิเวศ ท, ท่านจกคุณวินท่านไปวางรากฐานอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียเขาเคร่งในศาสนาของเขาอย่างมากๆเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี่ก็มีแต่พวกพี่น้องคนจีนชาวจีนพ้นทะเลแล้วก็มาทํามาค้าขายที่อินโดนีเซียยัง นับถือพระพุทธศาสนาเข้าไปดูแล้วก็มีทั้งาศาสนาทั้งที่เบตทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันศรีลังกาพามา่าไทยอยู่ที่อินโดนีเซียไปเห็นแล้วก็ครบเวลาเขามากราบหลวงพ่อนี่คนหนึ่งกราบอย่างหนึ่งคนหนึ่งกราบอย่างเ ง, นน ง, ง, งต่างคนต่างกราบดูเห็นแล้วก็แปลกเหมือนกันนะฟ้าแต่ที่ได้มีความไม่แปลกก็คืออย่างหนึ่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งเนี่ย วันนั้นหลวงพ่อไปอไปพูดที่ที่ห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมใหญ่นี่ก็คือเหมือนกับศูนย์เศรษฐกิจอย่างนั้นแหะของอินโดนีเซียคนมาเป็นพันอย่างั้นเถอะนั่งเต็มหมดตอนี้เขานั่งคัตมาตทั้งหมดเลยนะไม่มีเก้าอี้นั่งนั่งคัตมาตเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนั่งอยู่ในความสงบมากนะั่งปนมมื อ, อาจากนั้นเขาก็ไหว้พระพร้อมกันพูดพร้อมกันทั้งหมดเลยนะโอ้เก่งว่ะที่แรกหลวงพ่อก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดได้อย่างนั้นเถอะ เขาพูดได้เออเก่งจากนั้นอาราธนาศินอาราธนาพร้อมกันอีกเออนี่ใช้ได้วะ่ะจากนั้นก็อาราธนาพรมมาเนี่ยนะพรมมาเขาไม่ได้พูดอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะเขาว่าพรมมาจาโลกะติปติสหัมปติกัอันเฉลีอันทิวารังอัญยาจาะจธาเนี่ยเขาจะพูดเป็นอย่างนั้นเลยเขาจะพูดพร้อมกันทั้งหมดเลยเ อ, อจากนั้นเขาอาราธนาภาพปรนะลิตนีย วิปติปติพาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุขะวินาสายาปริตตังพรทามังคะลังเขาก็พูดพร้อมกันเป็นผันหลือไงนี่ยอางนั้น ก, นนก็อรรถนาเทศไงพมมาจะโลกะเออหลวงพ่อเห็นและอย่างนี้สิมันจิงจะถูกไม่ต้องพูดพร้อมกันถ้ามีแต่หัวหน้าพูดคนเดียวใช่ไหม ถ้าหัวหน้าไม่มาเทเนี่ยลูกน้องทั้งหลายเนี่ยหรือมองหามองซ้ายมองขวาอะไรตีวนี้เออมันต้องเรียนพร้อมกันเพราะเราเป็นชาวพุทธด้วยกันมันต้องพร้อมกันสมมันตาเนี่ยเขาพูดพร้อมกันไหมสัมมันตาจักวาเรโสอันตราคาชัณฑูเทวตาเนี่ยเอออันนั้นคือเมื่อพระจะสวดมนต์เนี่ยเขาจะไม่ให้พระพูดนะแต่ตามไม่จริงมันถูกต้องนะเพราะว่าอารัธนา เทวดามาฟังเชิญเทวดามาฟังเทศมาฟังธรรมพระมาฟังพระปริตตะเนี่ยมันต้องเจ้าภาพเป็นผู้อาราธนาไม่ใช่ว่าพระก็เป็นแขกแขกเชิญแขกเหมือนกันเถอะมันต้องเจ้าภาพเป็นผู้เชิญแขกมาฟังจึงจะถูกหลวงพ่อไปเห็นแล้วเอออินโดนีเซียเพรานะนั้นหลวงพ่อไปในะสถานที่ต่างๆพกกลับมาแล้วหลวงพ่อก็มาพูดใหม่ได้ถึเออพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเนะี่ย เอาขอฉินพร้อมกันอาณาธนารมพร้อมกันอาณาธนาปริทิ์พร้อมกันหลวงพ่อจะพูดลักษณะอเอาต่อ น, นี้ไปตั้งใจฟังวันนี้คณะ ท, ะทายาติโยมบอกว่าให้หลวงพ่อเป็นคนกล่าวสมโภชนียกถาให้แก่ ท, ทายาติโยมพี่น้องประชาชนขณะหลวงพ่อกำลังพูดห้ามถ่ายภาพนะถ้าหายภาพไปดีแฝดเข้าตาหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้นะหลวงพ่อพูดไม่เป็นนะ พอหลวงพ่อเป็นพระป่าอยู่ในที่สงบสงัดเสียงรบกวนกว็ดีแฟดมาเข้าตาก็าดีหลวงพ่อจะเป๋เลยก็พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นขอร้องนะแต่ถ้าว่าพูดจบแล้วใครจะถ่ายก็ไม่ว่ากันละจะคุยโทรศัพท์ก็ไม่ว่ากันอีกแต่ถ้าขณะที่หลวงพ่อกําลังพูดผู้ใ ด, ดมีโทรศัพท์ใกล้ๆเนี่ยเวลาจะพูดถ้าเสียงดังขึ้นมารีบออกไปข้างนอกนะจะมาพูดโทรศัพท์แข่งกับหลวงพ่อไม่ได้เพราะงั้นเด้อ หลวงพ่อจะลงทันทีเลยหยุดว่าง้นเพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจฟังวันนี้นบว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะเจ้าภาพก็เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศทั่วโลกคือโยมกระทิงแดงคุณเฉลียวคุณภาวนาที่เป็นคุณพ่อคุณแม่จากนั้นกัคุณสุดทิรัตคุณตุกตาที่มาในรับอนุญาตได้ ร, รับ อนุมัติจากคุณพ่อคุณแม่ให้มาสร้างอาคารหลังนี้อาคารหลังนี้เป็นอาคารเรียนอยู่ในวัดหลวงพ่อไม่เห็นแล้วก็เออถึงในใจเพราะเหตุไรพ่อหลวงพ่อเองก็เคยสร้างอาคารเรียนมาหลายหลัง อ, อาคารเรียนแล้วก็เครื่องมือแพทย์ อ, อย่างจังหวัดเชียงคานของพวกเราพวกท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่หลายคนคงจะรู้ว่าหลวงพ่อกับ ท่านองค์ขบวนตีดตร็เฉาได้มาสร้างอาคารเรียนประจําอำเภอเชียงคานหลังหนึ่งโรงเรียนเชียงคานปรทุมมาสงเคราะห์นักเรียนเกือบพันนะโรงเรียนประจําอําเภออันนั้นก็หลวงพ่อก็ได้มาสร้างอาคาร3ชั้น15ห้องเรียนนะแต่ฟังฟังดูแล้วก็สู้หลังนี้ไม่ได้นะหลังนี้ราคาสูงกว่าแต่หลังนั้นราคาประมาณ78ล้านบาทนะสิห้องเรียนนะสชั้นนะ จากนั้นกไ็ไปสร้างอาคารอยู่ที่เอราวันจังหวัดเลยอีกหลังหนึ่งสามชั้นสิบห้าห้องเรียนอีกหลังหนึ่งแต่หลังเซียงคาเนี่ยมีเป็นชื่อของคุณแม่ของดออรชฉานะองค์ขบนตรีแต่หลังเอราวันนั่นท่านตั้งชื่อเป็นสมเด็จย่านะอาคารสมเด็จย่าหลังนั้นอนะ่ะจากนั้นท่านก็ไปสร้างอยู่ที่อำเภอท่าบอกแล้วก็ไปสร้างอยู่ที่สกลนครเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้ ไปเกือบทุกหลังที่ท่านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างวันนี้แหละหลวงพ่อได้เป็นสะพานบุญสะพานบุญให้แก่ท่านบเออตรงนั้นควรจะสร้างนะตรงนี้มันชำรุดทุดโทรมอ่ะเออโดยมากญาติโยมเขาก็บอกกล่าวหลวงพ่อก็เลยแนะนําท่านให้ท่านไปดูอีกทีนึงคณะกรรมการของเขาไปดูอีกถึงเออสมควรที่จะสร้างจุดนี้จําเป็นจากนั้นขั้นก่อสร้างขึ้นมาเป็นหลังๆและก็พร้อมกันก็เครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์หลวงพ่อก็ได้ได้ให้เหมือนกัน แต่นี้เขาก็ถามเหมือนกันนะคณะสัตธาธิญาตโยมที่เกี่ยวข้อง เ, อเขาก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่อจะสร้างอาคารเรียนหรือจะช่วยเครื่องมือแพทย์กันแน่หลวงพ่อก็ได้ยกสองนิ้วอย่างนี้เหานั้นนะยกสองนิ้วหลวงพ่อบอกว่าอาคารเรียนก็จะสร้างเครื่องมือแพทย์ก็ควรจะสงเคราะห์เพราะเหตุไรถ้าหากว่าอาคารเรียนไม่ดีเด็กนักเรียนของพวกเราคนในชาติของเราลูกหลานของเรา จะเป็นผู้เฉลียวฉลาดได้ยังไงถ้าพวกเราไม่ส่งเสริมการศึกษาเพราะนักการศึกษานี่เป็นพื้นฐานจะพัฒนาคนให้เป็นคนดีได้ต้องได้รับการศึกษาเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษานี่จำเป็นอย่างยิ่งถ้ า, าว่าประเทศชาติใดก็ตามถ้าหาว่าไม่ใส่การศึกษาไม่ดูแลในการศึกษาแล้วประเทศชาตินั้นจะพัฒนาไปได้อย่างไรเมื่อคนในชาติได้รับการศึกษาดีแล้วสุขภาพไปดี ถ้าเข้าไปหาหมดหาหมอไปหาหมอเครื่องไม้เครื่องมือของหมอไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพหมอไม่มีเครื่องมือที่จะรักษาคนไข้คนในชาติจะไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างไรเพราะว่าในสุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกันหลวงพ่อว่านะอันนี้ก็คือท่านทางที่ท่านได้สร้างมาหลายหลายหลังที่หลวงพ่อได้พูดท่านคงจะสร้างไว้ หลายแห่งหลายหนอันนี้ท่านก็มาสร้างโเผ่าที่จังหวัดเลยของเราที่วัดท่าแขกของเราอำเภอเชียงคานของเรานับว่าลูกหลานอยู่ในอำเภอเชียงคานนี่นับว่าเป็นผู้มีบุญนะเป็นผู้โชคดีอย่างยิ่งที่ได้รับอาคารขึ้นมาเป็นบุญเป็นกุศลของพี่น้องลูกหลานพี่น้องชาวเชียงคานลุงพ่อมาเห็นแล้วก็โอ้โหไม่ใช่หลังเล็กๆหลังใหญ่ใหญ่มากๆดูแล้วก็ สร้างมาอย่างแน่นหนามั่นคงอีกต่างหากอันนี้ก็คืออาคารเรียนอ่และวข็ขอให้พี่น้องลูกหลานรักษาอาคารเรียนให้ดีๆนะอ่อและก็พร้อมกันเมื่อสร้างอาคารดีแล้วนะอาคารเรียนเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ ค, คือประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์นักเรียนเข้ามาเรียนมาสอนไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจสอนไม่ตั้งใจศึกษานะ อาคารเรียนหลังนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรถ้าเพ้อเผลอเข้านี่ครูบาอาจารย์มาสอนวิธีการคดวิธีการโกงวิธีการขายยาบ้ายาหมาคัญชายยาผิ่นอาคารเรียนหลังนี้ก็ไปทางมิจฉาชีพอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาคารเรียนหลังนี้ะจะมีประสิทธิภาพจะมีคุณภาพมีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองครูบาอาจารย์สําคัญนะ สอนตั้ง อ, อกตั้งใจสอนนักเรียนของเราตั้งใจสอนเพราะเหตุไรหลวงพ่อเคยไปพูดในสถานที่ต่างๆมิใช่จะพูดในสถานที่ที่นี่แห่งเดียวครูบาอาจารย์นะก่อนที่เราจะเป็นครูบาอาจารย์เราได้รับเงินเดือนจากใครอของพ่อถามนะไม่ใช่ว่าจะครูบาอาจารย์เท่านั้นข้าราชการทุกหน่วยทุกเหล่าจะเป็นบริ ษ, ษัทห้างร้านก็าตามถ้าว่าใครไปทา บริษัทที่ได้รับลางวันได้รับเงินเดือนเราไปทำงานเราได้รับเงินเดือนเงินเดือนันมาจากไหนเงินเดือนมาจากรัฐบาลรัฐบาลเอามาจากไหนเก็บภาษีพี่น้องประชาชนนั่นแหละให้พวกเราคิดเอาไว้ว่าพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของของเงินมาว่าจ้างเราทั้งตำรวจทังหารายการที่ภากษาเพื่อเพยยังเป็นสมภารวัดอีกนะ หลวงพ่อก็ได้ได้เงินเหมือนกันนะ เ, เขาให้สมภารทุกวันในทั่วประเทศเดือนละพันบาทออันนี้ก็คือเงินเดือนแต่ถึงยังไงก็ตามมานันเอเมื่อเราได้รับเงินเดือนของพี่น้องประชาชนแล้วให้พวกเราท่านทั้งหลายให้คิดว่าเราทํางานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้การสอนของเราเนี่ขาดตกบกพร่องไหมแต่หาว่าพวกเราทํางานสมบูรณ์เอไม่ขาดตกบกพร่อง อันนั้นก็ถูกต้องนะแต่ถ้าว่าพวกเราทํางานขาดตกบกพร่องทำงานไม่เต็มที่ให้เราถามตัวเองว่าเราทํางานนี้เป็นยังไงถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมเราทํางานอย่างนี้ให้ถามตัวเองนะให้พวกเราถามตัวเองทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้รับเงินเดือนเข้ามานะให้ถามตัวเองว่าถ้าหากว่าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเราทำงานอย่างนี้ ข้าให้คําตอบว่าเออถ้าว่าข้าพเจ้าทํางานอย่างนี้ถูกต้องออไม่ขาดตกบกพร่องถ้าเป็นเงินของเราเรากล้าจ้างเราแน่แอันนี้แปลว่าเราทํางานไม่ขาดตกบกพร่องพรวันนั้นขอฝากไว้กับคณะชาธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ได้พูดคนนั้นไม่ได้พูดคนนี้เพียงแต่ว่าให้โอปัญญโกให้ถามมา AH หาตนเองเมื่อเราทํางานอย่างนี้าขาดตกบกพร่องไหมออถ้าว่าไม่ขาดตกบกพร่องแปลว่าทั้นถูกต้องเป็นธรรม และก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเมื่อได้อาคารเรียนนั่งช่วยกันดูแลรักษาและก็แนะนําำแล้ว่าสอนนักเรียนของเราให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีคนเคยถามหลวงพอ่อหลวงพ่อครับการจะพัฒนาประเทศชาตินี่จะพัฒนาอย่างไรหลวงพ่อก็บอกว่าต้องพัฒนาคนก่อนถ้าคนมีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรม ศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วประเทศชาติจะไปเองจะสงบร่มรื่นราบรื่นไปเองแต่ถ้าหาว่าคนในชาติขาดคุณธรมรมศีลธรรมจริยธรรมหมกมุ่นในอบายมกทุกอย่าง เ, เที่ยวกินสุรานารีสมทะเลเทเบาการพนองการพ น, นันเต็มบ้านเต็มเมืองคนไม่มีคุณภาพในชาติคนในชาติไม่มีคุณภาพ อย่าหวังเลยที่จะพัฒนาประเทศชาติให้สําเร็จร่วมไปด้วยดีเพราะฉะนั้นคนในชาติต้องพัฒนาให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสกับพระอานอนท์ที่กรุงกระบินละพัทพระพองค์เสด็จกับไปกรุงกระบินละพัทวันนั้นพระ อ, องค์มอบให้พระอานอนท์เป็นองค์แสดงธรรมพระ อ, องค์ขอพักผ่อนเมื่อกันพระอนอนท์ก็ขึ้นไปกล่าวบอกว่าวิ ช, ชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติ วิชาเป็นที่ยอมรับของมนุษย์ทั้งหลายคนที่มีวิชาดี เ, เรียนเก่งวิชาดีความรู้เก่งเป็นที่ยอมรับของมนุษย์แต่ผู้ใดมีวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤตินิสัยเรียบร้อยไม่เบียดเบียนตนและปืนคนคนนั้นเป็นที่ยอมรับทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสแสดงว่าเทวดา เ, ยเายังไม่ยอมรับนะความรู้เฉยๆนะถ้าหาว่าขาดคุณธรรม แต่ถ้าว่าผู้ใดมีคุณธรรมด้วยมีวิ ช, ชาด้วยคือความรู้ด้วยมีคุณธรรมในจิตใจด้วยเทวดายอมรับเพราะฉะนั้นจึงว่าวิ ช, ชาจารณะสัมปันโนสุคโตโลกาวิถุน ะ, ะวิ ช, ชาคือความรู้จารณะคือความประเติสไปด้วยกันแต่ทุกวันนี้ฝรัง่งเขาประดิษฐ์คําพูดขึ้นมาว่าไอคิวคนที่มีไอคิวสูงก็คือคนทีเ่เรียนรู้ความจําเก่ง เฉลียวฉลาดนะว่าไอคิวสูง EQ คือความรับผิดชอบคนที่ขาดความรับผิดชอบคนขาดความรับผิดชอบคนนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์อีกเหมือนกันและก็ MQ MQ นี่แปลว่าเป็นผู้นิสัยเยือกเย็นทำงานด้วยความรอบครอบสุ ข, ขุมค้ำภีรภาพงานไปตามงานถูกต้องอันนี้ว่า MQ แต่ฝรั่งเขาบอกว่าถึง9คิวนะตีหลงพ่อฟังฟังดู แต่ที่สำคัญจริงๆก็คือ iq, eq, mq แต่เข้าในทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติถ้าว่าคนเรามีแต่ความรู้เหมือนกับเราเรียนรู้เราเรียนรู้เรื่องกฎหมายอย่างเนี้ย เ, เรียนรู้เก่งกฎหมายเก่งแต่ว่าขาดจารณะคือความประพฤติเขาจะเอากฎหมายข้อนั้นแห ะ, ะไปลังแกเบียดเบียนคนอื่นเขาเพราะคนอื่นเขาโง่กว่าเขาไม่รู้ ก็ตัวเองก็เอากฎหมายที่ตัวรู้รูอไปลางแกเบียดเบียนคนอื่นเขาแต่ถ้าหากว่าคนที่มีจริยธรรมมีความรู้ด้วยมีจริยธรรมด้วยวิชาด้วยจรณะด้วยถ้าจะทำสิ่งใดให้แก่เขาเขาไม่รู้ก็จริงอยู่อย่างนี้แต่เรารู้แต่เมื่อเราทำไปแล้วถ้าว่าเขามาทำให้แก่เราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอันนี้เราไปทาให้แกเขาเขาก็คงจะเสียความรู้สึกเหมือนกัน ถ้าว่าเขามาทําให้แก่เราเราก็เสียความรู้สึกเพราะฉนั้นจรณะคือความประพฤติจุดนี้เนะี่อยากจะให้พวกเราศึกษาอย่าไปทําให้แก่เขาถ้าเขาทําให้แก่เราเรามีความรู้สึกยังไงเราไปทําให้แก่เขาเขามีความรู้สึกยังไงนี่แหละสินธรรมของพระพุทธเจ้าต้องโอปัญญิโกต้องมองเขาต้องมองเราอย่างศินห้าก็เหมือนกันศินห้าที่ท่านที่เป็นประธานสงฆ์ที่ท่านให้ศินห้าไปปาณาติปาตาเวรมณี ยาฆ่าสัตว์นะเนี่ยคือความแปลด้วยความหมายเพราะพระเจ้าทำไมยาฆ่ากันนะถ้าพวกเราไปฆ่าคนอื่นเขาแล้วเขามาฆ่าเราถ้าเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าหลานของเขาล่ะเป็นยังไงถ้าเขามาฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเราเรามีความรู้สึกยังไงเพราะนั้นสินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอันนี้แหละคือศิน ข้อที่สองอันทินนาทานก็เหมือนกันถ้าเราไปขโมยคนอื่นเขาเขามาขโมยของเรามีความรู้สึกยังไงศินข้อที่สามก็เหมือนกันสามีภรรยาลูกหลานของเขาถ้าเราไปประพฤติล่วงเกินเขาเขามีความรู้สึกยังไงเขามาประพฤติล่วงเกินเราเรามีความรู้สึกยังไงข้อที่สี่ถ้าเราไปโกงหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกยังไงถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราล่ะคดโกงเราล่ะเรามีความรู้สึกยังไงเสียใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ถ้าเขามัหาเราเราก็เสียใจถ้าเราไปทําให้แก่เขาเขาก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาสิ่งที่มันไม่ดีแล้วอย่าทำนะอันนี้แหละคือศินข้อที่ห้าสุราเมระยะมัชชาปมาอย่าดื่มสุราและเมลยัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วคนมึนเมาแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่าง ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าใครก็ได้สินข้อที่หนึ่งขาดกระจุยข้อที่สองอธินาทานขโมยของใครก็ได้เพราะมันขาดสติไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรอันนี้คือสินข้อที่2ข้อที่3กามีสุมิจฉาจาระเวรปนีสามีภรรยายลูกหลานของใครลาลาบละล้ลวงได้ทั้งหมดไม่ครบสิทธิ์ของใครทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะมุขคนเมาข้อที่4มุสาโกหกใครก็ได้เพราะเหตุไรเพราะคนขาดสติ เพราะนั้นสินข้อที่5้าพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่าดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่แหละสินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ถ้งว่าพวกเรานํามาวิเคราะห์เป็นข้อๆแล้วศินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นสินคุ้มครองโลกจริงๆเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะกับคณะสัตายาติโยมทุกโลกดานทุกคนที่ต้องการความสุขความร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนในชุมสังคมในประเทศชาติหรหรือในโลก ต้องมีศีลห้าถ้ามีศีลห้าคุ้มครองแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดที่ใดมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขและข้อสุดท้ายของหลวงพ่อขอฝากไว้กับพวกเรา ท, ทุกทุท่านในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าร่างกายของเราเนี่ยมีสองพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาที่โคลนต้นโพเมื่อสองพันกว่าปีพระพุทธเจ้าบอกว่าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีสองแต่พวกเราไม่ได้ศึกษาไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษา พระ อ, องค์ศึกษาในวันเดือนหกเ่นตอนเย็นวันเดือน6กเพนพระ อ, องค์นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าในวันนั้นเมื่อพระ อ, องค์กําหนดลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปชัญญะไม่คิดถึงในอดีตไม่คิดถึงอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันความรู้สึกในปัจจุบัน มีความรู้สึกในลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ท่านไม่บริกรรมพุทธโธนะท่านไม่ได้ว่าพุทธโธแต่ท่านมีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นพระไทยของพระ อ, องค์ใจของพระ อ, องค์รวมสงบรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานเมื่อเกิดฌานแล้วพระองค์ละลึกชาติผลหลังได้ ป, ปุเพเนวาสานุสติญาณละลึกชาติผลหลังได้ คือชาติที่แล้วเป็นยังไงชาติก่อนเป็นยังไงพระ อ, องค์รละลึกชาติสิบชาติร้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติจะนึกลึกเท่าไหร่ก็ได้เพราะพระ อ, องค์มีญาณนัศนะมีชาติเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาให้รู้ว่าพระพุทธศาสนานี่รับรองแนละ้วบอกว่าคนเกิดแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดืินหกเพจนั้นปุปเพนวาสานุสติยานระลึกชาติหัวหลังได้ นี่แหละพอถึงเที่ยงคืนพระองค์นั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบนิ่งเข้าไปอีกจวบจุตูปะปาตยานการจุติของสัตว์คือการเกิดและตายตายแล้วเกิดนะมาเกิดที่ไหนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาเกิดในชาตินี้มาจากไหนมาเกิดที่นี่มาเพราะอะไรมีกลัมอะไรที่มาเกิดที่นี่นะอันนี้พระพุทธเจา้าท่านก็รู้อีกเหมือนกันเพราะนั้นตายแล้วไม่สูญสรุปแล้วตายแล้วเกิดอีกนะในตัวของเรามีสอง มีสองก็คือใจกายกับใจกายนี่คว่ารูปประธรรมส่วนจิตใจนั่นเรียกว่านามธรรมาอาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถนะ่คนกับรถ่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถก็คือร่างกายคนขับรถก็คือจิตใจแต่อาศัยกันอยู่แต่คนท่างว่าร่างกายของเราถ้าไม่มีใจคนนั้นก็ไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะใจออกจากร่างแล้วคือใจตา ย, ตายแล้ว แต่ถ้าว่าใจของเรามีอยู่เมื่อเราขึ้นไปขับรถรถก็จะไปได้ไปที่ไหนก็ได้ให้พูดก็ได้ให้แสดงอะไรก็ได้ตามที่อัตภาพหรือว่าความสามารถของร่างกายแต่ถ้ามันเกินความสามารถของเขามันก็ทำอะไรไม่ได้อีกเหมือนกันอย่างบังคับให้กระโดดลงหน้าผาอย่างนี้ร่างกายมันก็แต ก, ก, ตกเหมือนกันตายเหมือนกันรถก็เหมือนกันน่รถมันอยู่ในสภาพหนึ่งถ้ามันกระโดดลงข้างถนนสูงๆมันก็พังอีกเหมือนกัน เพราะนั้นกายกับใจในอาศัยกันอยู่แต่ร่างกายนี่แตกตายสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นทุกคนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วนี่อาหารของกายก็คืออะไรอาหารของกายก็คือเงินข้าวน้ําโภชนาอาหารผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยคือใช้เงินทั้งนั้นแต่เงินนี่ไม่สามารถที่จะรักษาใจได้ท่านถึงจะมีเงินมากขนาดไหนก็เถอะแต่ถ้าไม่มีธรรมอยู่ในใจ ใจนั่นก็ร้อนจะหาความสุขไม่ได้มันร้อนอยู่ที่ใจนะถึงจะอยู่ในห้องแอร์มันก็ร้อนเพราะเหตุไรเพราะใจขาดธรรมแต่ถ้าคนมีธรรมในใจแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีใจมีธรรมใจให้มีธรรมะนี่แหละอันนี้พวกเราต้องศึกษาจะทํำยังไงใจจึงจะมีธรรมะเพราะเหตุไรเพราะตายแล้วไม่สูญพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้คือธรรมะ ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวท่านแนะนําสั่งสอนชาวพุทธพุทธมามะกะทั้งหลายให้บาเพ็ญคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่มันไม่ดีแล้วอย่าทําถ้าทําไปแล้วมีแต่ความเดือดร้อนนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอากตังตุกตังเซโยปัจชาตปฏิตุ ก, กตังตะะตตกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทําแล้วย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลัง เพราะเหตุไรเพราะขณะที่ทำเราไม่คิดเหมือนกับเราไปฆ่าไปป่นไปจี้คนอื่นเขาเราก็ไม่ได้คิดแต่เมื่อเราทำไปแล้วนะตำรวจไล่จับเรานะทีนี้หัวซกหัวซุนวิ่งหนีจากคุกหนีจากตารางเพราะเหตุไรเพราะว่าก่อนที่เราจะทานั้นเราไม่ได้คิดแต่เมื่อทำไปแล้วกรรมชั่วตามสนองเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชน ท, ก ท, กทุกท่านเนอะอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลอย่างที่คุณโยมของพวกเราที่ท่านมอบให้ลูกหลานของท่านมาสร้างอาคารเรียนหลังนี้นี่แหละท่านมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติของลูกของหลานถ้าประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้รับการศึกษาดีแล้วประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรือง มีความสุขทั่วนหน้ากันแต่ถ้าว่าคนในชาติขาดการศึกษาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วคนในชาติโง่เง่าเต้าตุตนจะพัฒนาประเทศชาติเขาไปได้ยากไม่ทันเขาผลที่สุดเราก็เลยเป็นเบี้ยล่างของเขาได้ง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะคนในชาติของเราไม่พัฒนาคนนั้นผู้ที่มีอันจรกินอย่างท่านถูกต้องแล้วที่บริษัทได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมพี่น้องลูกหลานในประเทศชาตินับว่าพวกเรามีบุญมีกุศลที่ได้รับ ความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านในครั้งนี้นการกล่าวสมโภชนิยะกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภรีรัตนาตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองเจ้าภาพและพวกเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานโดยทุ่นหน้ากันจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเถิด